ยาตรงไปตรงมามากเลยเปิดเผยแต่มันมีสัมนวนบาลีอันบอกว่าคนตาดีก็มองเห็นได้ของเปิดเผยอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาแต่ตาดีก็มองเห็นนะตาไม่ดีก็มองไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้เรามาพัฒนาตาของเราอย่างควรทัญญะทีแรกก็ไม่มีตา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 ก็ถือว่าพ้นความปรุงแต่งไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเกิดดับเยูะสิ่งที่พ้นความเกิดดับมีอย่างเดียวคือพระ น, นิพพานนี่เราหันใหม่ๆเราไม่เห็นนิพพานหรอกกระทั่งเห็นมรรคผลเรายังไม่เห็นเลยนะก็ภาวนากันแรมปีบางคนหลายๆปีก็เห็นมรรคเห็นผลขึ้นมานะเห็นทีแรกก็จาไม่ได้บางคนเคยเห็นมาแต่ชาติก่อนนะเคยเห็นมาชาติก่อน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 คลองมักจะน้ําเน่าสมัยก่อนเดี๋ยว น, นี้เน่าไหมหลวงพ่อไม่รู้เราไม่เข้าไปริมคลองนานเมื่อก่อนเข้าไปใกล้ๆก็เหม็นหึ่งเลยนะเหม็นถ้าเราบ้านอยู่ริมคลองน้ําเน่าไม่ค่อยเหม็นเท่าไหรอ่อ่ะหรือสับ ป, ปะเลออยู่กระสอบนะหรือที่สถาบันนิติเวชอะไรที่อังรีดูนังอะไรนะ่ะอุยศพน้ํากลินนะ่นเนาะโหสุดๆเลย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 ไม่มีโรงงานหายใจสดชื่นเข้ากรุงเทพเนี่ยยังไม่ทันจะถึงคลองน้ําเน่าก็เหม็นแล้วคนกรุงเทพเนี่ยเหม็นที่สุดเลยหลวาพคนบ้านนอกนะั้นบอกได้เลยคนกรุงเทพนะอบร่ําด้วยกลิ่นสโสมปลกมากมายทําหน้าเยเกเลยรู้สึกไหมเหม็นไม่เหม็นอนะ่ะเทวดาบอกมนุษย์เหม็นต้องร้อยโยตร้อยโยต์หนึ่งันหกร้อยกิโเมตร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 เป็นบริษัทเป็นบริวารปาริษัทชาต่อมาก็แน่ขึ้นมาหน่อยนะเป็นหัวหน้าของบริวารพรมปุโรหิตาแล้วเป็นหัวโจกของพรมในชั้นปฐมฌานะชื่อมหาพลมมาเคยได้ยินไหมเท้ามหาพลมเราก็นึกว่าพรมทั้งหมดเรียกว่ามหาพลมไม่ใช่เท้ามหาพลมนี้เป็นพรมในภูมิชั้นที่สามแ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 ดูลงไปเรื่อยจะดูในแง่มุมใดก็ได้ในมุมของขันมุมของธาตุมุมของยตนะมุมของอินทรีย์มุมของอริยสัจมุมของปฏิจจสุบาร์ก็ได้ปฏิจจสุบาทก็มีแต่รูปนามทั้งนั้นเอาวิชาเป็นรูปด้วยนามเป็นน้ำสังขารเป็นอะไรสังขารเป็นตัวเจตนาตัวกรรมเป็นนา้ำตัวปิณญาณเป็นนาำใช่ไหม